นัสสุรดินนะเป็นคนที่คิดและทำอะไรไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนที่เข้าใจนะจิตใจมนุษย์วันหนึ่งเขาเดินไปตลาดไม่ด้ยินเสียงตะโกนบวกเวกนะอยู่ที่ริมบึงเขาก็เดินไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยตกน้ำนะเขาว่ายน้ำไม่เป็นแนละ้วก็เขากำลังจะจมน้ำก็มีหลายคนอยู่ที่ริมฝั่งนะ แล้วก็บอกให้ชายคนนั้นเนี่ยยื่นมือมายื่นมือมาจะได้คว้าขึ้นจากน้ําแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมยื่นมือทั้งที่ตัวเองก็กาลังจะแย่อยู่แล้วนัสรุดินเห็นเนี่ยก็เลยไปที่ริมบึงนั่นแหละแล้วก็ยื่นมือไปที่ชายคนนั้นแล้วก็บอกว่าคว้ามือฉันสิคว้ามือฉันสิแล้วก็ชายคนนั้นนี่ก็ คว้ามือนัสโรดินนะอย่างว่าง่ายแล้วนัสโรดินก็เลยดึงเขาขึ้นมาบนฝั่งเป็นนั้นว่ารอดตายคนที่อยู่ในการก็ก็แปลกใจนะถามนัสรุดินว่าเนี่ยทําไมเขาเชื่อคุณนะะคุณบอกให้เขาคว้ามือของคุณเนี่ยเขาก็ควา้าแต่พวกเราเนี่ยบอกให้เขายื่นมือมาเขาไม่ยอมยื่นเลย ทั้งที่เขา ก, กำลังจะตายนัสุรินก็เลยอธิบายว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้นะเป็นพ่อค้าหน้าเลือดนะทั้งชีวิตเนี่ยมีแต่เอากระชวยจากคนอื่นเขาไม่เคยให้หรือหยิบยื่นอะไรให้ใครเลยนะคุณไปบอกให้เขายื่นมือเขาไม่ยื่นหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าให้เขาคว้ามือจับมือเนี่ยนะเขาทา อันนี้ก็คือนะเคล็ดลับนะของนัสรุดินนะในการช่วยเหลือชายคนนั้นนิทานเรื่องนี้ก็สอนว่าคนเราเนี่ยจะช่วยใครเนี่ยนอกจากมีเจตนาดีแล้วเนี่ยนะมันต้องเข้าใจจิตใจของคนที่เราต้องการจะช่วยด้วยมีเจตนาดียังไม่พอนะถ้าไม่เข้าใจจิตใจของคนคนนั้นเนี่ยก็ช่วยเขาไม่สําเร็จ นะอย่างนักโวดศีก็รู้นะว่าพอคานนั่นแหละคนเนี่ยนะจะให้เขายื่นมือให้กับคนบนตะหลงเนี่ยเขาไม่ยื่นหรอกเพราะเขาไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้ใครนะเขามีแต่เอาเ้ามีแต่ช่วยจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยเขาก็ต้องยื่นมือให้เขาแล้วก็ให้เขาคว้าให้เขาจับนะคนคนเราเนี่ยนะอย่างที่บอกนะ เวลาเขาประสบความเดือดร้อนประสบความทุกข์เนี่ยถ้าเราอยากจะช่วยเขาเนี่ยนอกจากเมตตากรุณาแล้วนะเราก็ต้องรู้จักจิตใจของเขาหรือสภาวะอารมณ์ของเขาาน้นไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดหรือทำไปมันก็อาจจะไม่ช่วยเขาเท่าไหร่อย่างหลายคนที่กำลังประสบความทุกข์ใจเพราะว่า สูญเสียคนรักสูญเสียของรักหรืออกหักเนี่ยหลายคนก็ไปบอกว่าเนี่ยอย่าร้องไห้นยะอย่าร้องไห้นะหรือบางทีก็บอกว่าเข้มแข็งนะเข้มแข็งนะอันนี้นอกจากไม่ช่วยเขาแล้วนยอาจจะทำให้เขาเกิดความไม่พอใจมากขึ้นเพราะเหมือนกับไปตำหนิว่าเนี่ยเธอยังเข้มแข็งไม่พอนะหรือว่าเธอยังไม่เป็นเหมือนชั้นเนี่ จะบอกให้ว่าให้ฉันไม่ร้องไห้ได้อย่างไรเขารู้สึกมันก็ว่าถูกตําหนิไกลๆอันนี้ก็เช่นเดียวคนป่วยนะคนป่วยโดยเฉพาะป่วยหนักระยะสุดท้ายเนี่ยคนนี้ไม่เยี่ยมหลายคนแนละ้วก็ปรารถนาดีนะไปให้กําลังใจแต่ว่าไม่รู้วิธีให้กำลังใจนะก็ไปบอกเขาว่าสู้ๆนะสู้ๆนะเข้มแข็งนะเข้มแข็งนะคนป่วยเนี่หลายคนนี่เขาเรียกว่าส่วนใหญ่แล้วก็ได้นะ พอเจอคำพูดแบบนี้นี่เขาไม่ได้ยินดีด้วยนะไม่ได้เกิดกําลังใจด้วยเขาเกิด ค, ความรู้สึกแย่เ yeah. พราะเขากําลังถูกตําหนิไกลๆนะว่ายัางเข้มแข็งไม่พอยังสู้ไม่พอก็อจะนึงในใจว่านี่ยก็ฉันก็สู้อยู่แล้วเนี่ยยังไม่รู้อหรอว่าฉันสู้อยู่แล้วเนี่ยฉันสู้เต็มที่อยู่แล้วไวาฉัน ส, สู้อีกนะลองมาเป็นฉันสิ ในยานนั้นเนี่ยนะคนที่เขาทุกเนี่ยเขาไม่ต้องต้องการคําแนะนําเท่าไหร่นะถึงที่เขาต้องการอาจจะเป็นความรักความห่วงใยเช่นแทนที่จะบอกว่าสู้ๆนะอบอกว่ารักนะห่วงใยนะอันนี้จะช่วยเขาได้มาเพราะว่าเขาต้องการเพื่อนนะเขาไม่ได้ต้องการคําแนะนําจะไปเอาธรรมะนะประเคนให้เขาหรือว่ายัดเยียดให้เขานี่ กับจะไม่มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าไปเป็นเพื่อนเขานะพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเขาโดยที่จะแม้จะไม่พูดอะไรเลยหรือทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขานะอันนี้กลับช่วยได้ดีกว่ามันเคยมีนะโครงการหนึ่งเนี่ยเขาชักชวนคนทำตุกตาผ้า เพื่อมอบให้กับเด็กที่เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลก็มีหลายคนนี่ให้ความร่วมมือดีนะเ mm hmm. ย็บตุกตาผ้าเนี่ยตัวเล็กๆส่งไปให้เด็กพร้องกับเขียนข้อความติดทุกตุกตาด้วยนะเป็นข้อความให้กำลังใจแต่ก็พบว่าตุกตาที่คนเนี่ยที่เด็กเนี่ยไม่ค่อยหยิบเลยนะ หรือไม่ค่อยสนใจเลยคือตุกตาที่เขียนข้อความว่าสู้ๆนะท่านที่ตุกตานี่ยก็น่ารักนะแต่ตุกตาที่เด็กชอบนะแล้วก็ไม่เหลือเท่าไหร่นะก็คือตุกตาที่เขียนข้อความทํานองว่ารักนะเป็นห่วงนะหรือไม่ก็บอกว่าถ้าเจ็บปวดนะก็ถ้าเธอเจ็บปวดก็กอดฉันนะอ่านะ โอ้แบบนี้นี่เด็กชอบนะเด็กก็หยิบไปทั้งที่ตุ๊กตาก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่นะอันนี้ขนาดเด็กๆนะเขาก็ยังรู้สึกว่าคำว่าสู้ๆเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นคำที่เขาจะยินดีรับเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกเรานะที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยบางทีไม่เข้าใจ อาจจะเป็นเพราะว่าเราคุ้นกับสติ๊กเกอร์ที่บอกว่าสู้สสู้ ส, ส, สนะพอไปเยี่ยมคนป่วยพอไปเยี่ยมคนที่เขากำลังมีความทุกโศกนะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีก็ก็พูดข้อความทำนองนี้แหละหรือไม่เช่นนั้นก็ให้คำแนะนำในเชิงธรรมะปล่อยวางนะอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงนะอะไรทำนองเนี้ย ยิ่งคำว่าเข้มแข็งนะอย่าร้องไหน้นะโอเ้เขาก็ยิ่งรู้สึกว่านี่กำลังมาสอนฉันนะคาพูดเหล่านี้มันก็เลยไม่เป็นประโยชน์นะกับคนทุกข์หรือว่าคนป่วยหรือคนที่เราต้องการช่วยเหลือเข้าเท่าไหร่นั้นจึงบอกว่าเนี่ยการความปรารถนาดียังไม่พอนะต้องเข้าใจจิตใจของคนเหล่านั้นคนที่เราต้องการช่วยด้วย เราจะเข้าใจได้บางทีก็ต้องอาศัยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเช่นเวลาที่เราเจ็บป่วยเวลาที่เรามีความทุกเนี่ยนะเราอยากฟังนะคําพูดแบบไหนนะเราต้องการเพื่อนหรือต้องการอ่คนแม้แนะนำสั่งสอนนะและเราก็จะพบว่าถึงเวลาที่เราทุกนะเราต้องการเพื่อนมากกว่าเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกของเรายอมรับความรู้สึกของเรา โดยไม่ตัดสินโดยไม่ตำหนิโดยไม่สอนแค่เป็นเพื่อนนะร่วมรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันก็ช่วยถ่ายเทนะความทุกข์ไปออกจากใจไปได้ไม่น้อยเลย